หลวงพ่อได้ไปมอบวัดอำเภอพิมายไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะต่างคนต่างออกทุนนทรั์สร้างวัดวาศาสนาซื้อที่ดินตามที่จุดประสงค์ของหลวงพ่อหลวงพ่อว่าวัดป่านี่น่าจะได้ประมาณ100ร้อยไร่ยืนพื้นวัดป่าต้องการเนื้อที่กว้างพอสมควร เพราะว่าพระเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้วจะได้หลบปลีกปีกตัวทำความภาคความเพียรสร้างกุฏิให้ห่างกันแล้วก็ปลูกปาขึ้นมาแล้วก็เป็นที่หลีกเล้นเดินยืนกลมกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้กรรมฐ า, านแลอยู่ใกล้กันยังไงไม่ได้ต้องอยู่ห่างอันนี้คือเป็นวัดปาที่หลวงพ่อก็เลยบอกญาติโยมก็ได้รวมกัน ซื้อที่ได้ร้อยสามไร่หกสิบสามตารางวาที่เขาประกาศเมื่อวันที่สิบพลานะจากนั้นกเกษตรนาชนาเขาสร้างขึ้นมาครบแปดเก้าสิบกาลังลทั้งอาคงอาคารโรงต่มน้ำย้อมผ้าพระด้วยห้องเก็บของด้วยแต่ว่าห้องน้ำห้องสวมด้วยแต่ว่าสมบูรณ์ ระบบน้ำประปงประปาแต่ไม่มีไฟฟ้าเข้า mm hmm. ลุงตาตกเตอร์ยังไม่เอาไฟฟ้า เ, เราก็เห็นด้วยเป็นาระละพระเองก็น้อยขอให้สร้างพระสร้างพระในใจของตัวเองส่วนด้านวัตถุนั้นก็ให้เข้าเเพลวไว้ก่อนพอมันพออยู่แล้วส่วนพระเนี่ยชาต้องจำเป็นต้องสร้างให้เป็นพระเรียบบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาอารหัน ให้ขึ้นในใจของเราแต่ถ้าเราสร้างแต่ถ้าวันวัตถุเหมือนกันเราสร้างหีบศพนะ่ะลงรับปิดทองอย่างดีแต่ข้างในเน่าเหม็นหึงอยู่ อ, อันนี้ก็เหมือนกันวัดวา ศ, าศาสนาสวยหรูแต่พระเดนอยู่ในวัดนั้นขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมมันก็เหมือนหีบศพเออเหมือนกับหีบศพใส่ศพนั่นแหละพระเดน ไม่มีคุณภาพมไม่มีคุณธรรมคือคือเน่าล่งงะเพราะงั้นนะเออเหม็นหึงเพราะงั้นอย่านั้นขอให้พรเงเดชสร้างตัวเองให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมในหลวงพ่อเน้นอย่างนั้นในเมื่อวันถวายวัดอำเภอพิมายจากนั้นก็ได้ปรารบเรื่องศาลาอีกเหมือนกันนั่นแนะ่ละแต่ถึงอย่างไงถึงหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ก็เถอะแต่สาลามันก็จําเป็นแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ ศ า, า, าลามงยาหลังนี้เใช้มาได้สองปีสามปีแล้วแต่พอหลังคามันลุกลมก็คงจะหายยา ม, มาใสอีกปีหนึ่งครั้งหนึ่งอีกสักสองสามปีแล้วก็มาใสอีกแต่ว่าอาคารหลังนี้ก็คงจะหมดสภาพเพราะว่าไม้เป็นไม้กลมทั้นั้นไม้ยุคาลิปเป็นโครงสร้างก็คงจะอยู่ได้เพียงแถวนั้นจากนั้นก็คงจะเป็นศาลายาย ขึ้นมายังค่อยว่ากันเพรนั่นัธาทธาญาติโยมผู้ใดอยากจะทําบุญสร้างสล า, าล่วงหน้าไว้ก่อนกับติดต่อหรงตาด็อกเตอร์เนอะสะสมเอาไว้ใครอยากจะทําบุญเกี่ยวกับสล า, าอยากจะปรับปุรับออกมาได้หลายแสนเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> ได้หลายแสนเหมือนกันวันนั้นผู้ออกปากไม่ได้ถือเงินออกมาก็เนี่ยบอกว่าผมาแสดงความจำลองหนึ่งแสนที่เห็นเห็นคือสองสองแสนแล้วนั่นแ จากนั้นกับคนละนั้นบางคนขอถวายพระประธานพร้อมกับห้องพระหลวงพ่อเขาบอพระประธานกับห้องพระพร้อมกับพระสาวกเนี่ยที่ทําทํามากประมาณห้าแสนแต่กว่าที่จะได้ทําคนนั้นอะาน่าว่าเตรียมๆมค่อยขึ้นไปมันจะเป็นล้านก็ได้นะเออันนี้คือศาอันนี้คือหลวงพ่อได้ มอบไหมให้แก่วัดวาศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาไว้ในพระพุทธศาสนาวัดวาศาสนาสร้างขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพระพุทธศาสนาถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วกระจบจากนั้นหลวงพ่อก็ได้มาเมื่อวานนี่มาก็ได้เกิดทำขึ้นมาในใจทําลรดสังเวชขึ้นมาในใจ เดี๋ยวมาเยี่ยมคนป่วยที่ศรีนครินอาการก็หนักพอสมควรเป็นเนี่ยวในถุงน้ำดีแล้วก็ไตไตทำงานประมาณครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ไปเยี่ยมพระมหาเถระที่ตึกสงอายุก็ใกล้เลี่ยงลงตาน่นุ้ดอนท่านป่วยเกี่ยวกวับปอดปอดติดเชื้อ องหนึ่งก็มะเร็งปอดหนักเหมือนกันแต่พูดไม่ได้องค์มะเร็งก่อนพูดค่อยมากแต่ท่านก็ฝ่ายป ร, ริยัตท่านก็เป็นมหาป ร, ริญญาสูงทีเดียวแต่ท่านก็ลาออกมามาปฏิบัติคนแถบเมืองอุบลของเราออกมาปฏิบัติไรุ้กับพ่อไม่รู้จักสนิทเป็นส่วนตัวแต่พอรู้กันพอรู้กันได้เพราะอายุพรรษาก็ต่ํากว่าหลวงพ่อหน่อยนึง ท่านก็พูดขึ้นมาหน้าคิดทําไมจึงวันหน้าคิดเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องคิดท่านบอกว่าผมตั้งใจออกมาเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นกรรมฐานอยู่ในป่ากพอออกมาก็คิดว่ากควรจะสร้างวัดวาศาสนาเกิดลยได้สร้างสร้างก็สมบูรณ พอต่อมาก็มาสร้างอีกพอมาสร้างอีกคราวนี้ตัวเองก็มาป่วยอย่างนี้อาคารก็อสามชั้นอาคารอาคารเรียนอาคารไอชาราสารการป ร, ริญญาสามชั้นแต่คิดงบออกมาก่อนหลายล้านแต่เรื่องการเรื่องทุนทรัพย์ไม่มีปัญหาเพราะมีผู้สนับสนุนแต่ว่าเสียเวลาในการสร้างทั้งที่ ออกมาแล้วทั้งที่จะตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเจาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้แก่ตนเองกลับไปหมกมุ่นไปก่อสร้างของที่ไรสาระไรประโยชน์ในธรรมสรุปแล้วก็คือท่านลำพึงดะว่าเสียใจบอกว่าไปถือไปทาในสิ่งที่ว่าไม่มีสาระว่าเป็นสาระ สิ่งที่เป็นสาระกับไม่ถือว่าเป็นสาระไปยึดสิ่งภายนอกว่าเป็นสาระสรุปแล้วก็คือท่านไม่ได้เน้นหนักเรื่องจิตตภาวนาไปเน้นหนักเรื่องการก่อสร้างในเรื่องการก่อสร้างมันมีอยู่แล้วในโลกมันเต็มไปหมดไปที่ไหนมีแต่วัตถุก่อสร้างเต็มไปหมดแต่ว่าธรรมะที่เกิดจากใจที่เป็นอริยะบุคคลนั้นไม่ได้เหลียวแหละแต่พอมาถึงจุดนี้ระบาด มรณะภัยเข้ามาถามใครเข้ามาแล้วจึงสำนึกสำเหนียดไ้ว่าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำตามไม่จริงน่าจะมาเน้นหนักเรื่องจิตตะภาวนาจะมากกว่าในลักษณะอย่างนี้ที่ท่านลำพึงเราได้ยินเราก็เป็นบทเรียนหรือ ว, ว่าเป็นแนวความคิดของพวกเราอย่างยอดเยี่ยมเพราะนั้น มาพิจารณาดูพวกเรามาพิจารณาดูพวกเราก็คงจะควรจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราเสียสละออกมาจากขอบขัวเหยื่อเรือนมาปฏิบัติธรรมแล้วเรามาเอาของที่ไร้สาระมาพิจารณามาทบทวนมาคิดมาอ่านมาปรับมาปรุงมาฟุง้งมาสร้างส่งจิตออกไปข้างนอก ตายแสไปหาสมุทยเหตุให้ทุกเกิดทั้งที่เราเข้ามาตัดภายนอกมาแล้วทั้งที่จะตัดทั้งหมดมีแต่มาแต่ดูใจของตัวเองแต่ละวันเราคิดเรื่องอะไรใจของเราพุงฟุ้งซ่านไปทางไหนใจของเรามีหลักที่ยึดหรื อ, อยังใจของเรามีที่พึ่งอันเกษมหรื อ, อยังใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสหรื อ, อยัง ถ้าหากว่าเราพวกเราได้คิดอยู่อย่างนี้จิตใจจะไม่หลงไหลมัวเมากับสิ่งภายนอกแต่นี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์องค์นั้นคิดนั่นหละทั้งที่เข้ามาแล้วติดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติส่ะแสวงหาทาง ห, หาทางพ้นทุกข์กลับไปยึดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ ว่าเป็นประโยชน์ปล่อยป่าละเลยจิตที่จะเป็นประโยชน์ทิ้งแล้วไปยึดไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์พอมาถึงจุดสุดท้ายแล้วจังค่อยสําเหนียกสำนึกได้แต่ที่ไหนได้มันจะสายเกินไปไปเสจอแล้วหลงพ้อก็เลยบอกว่าเอออ่ะยังไม่สายเพราะชีวิตยังอยู่อาจจะถึงธรรมะอะไรสมะสีสีคือธรรมะตรงนี้คือเราพิจารณ า, าดูแล้ว พอหายใจเฮือกสุดท้ายปล่อยวางทั้งหมดเป็นพระอรหันต์อันนี้แปลว่าเราปล่อยวางขั้นสุดท้ายเรว่าธรรมะสัมมัสศีสีในที่ท่านกล่าเอาไว้ว่าธรรมะเกิดในเฮือกสุดท้ายแต่เราจะไปหวังอย่างนั้นมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ขนาดธรรมดาธรรมดาพวกเรายังปล่อย ป, ลอยปะละเลยแล้วจะไปถึงจุดนั้นเราจะให้เกิดอย่างนั้นขึ้นมานี่มันเป็น โุกเหลือขนาเพราะงั้นแจึงจะเกิดอย่างนั้นขึ้นมาได้เพราะนั้นพวกเราทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ตำเด็ดดิฉินนินทาท่านผู้ใดผู้หนึ่งอันนี้เป็นบทเรียนสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อเราเสียสละสิ่งภายนอกออกมาแล้วเข้ามาภายในแล้วเราควรจะตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติเจาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ แต่ละวันแต่ละเวลาให้เด็ดเดี่ยวอาจฐานร่าเริงอย่าไปคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกข้าสง่งจิตออกไปข้างนอกคือส่งไปหาสมุทรไทยเป็นเหตุให้ทุกเกิดไปคิดเรื่อง น, นั้นไปคิดเรื่อง น, นี้คิดเรื่อง น, นี้คิดเรื่อง น, นั้นไม่มีที่สินสส้นสุดพอที่จุดขนทุกข้ามาสู่ใจใจของเราก็เดือดร้อนบุบวายอันนี้แปลว่าผู้เข้ามาบวชแล้วส่งใจออกไปข้างนอก เราพูดใเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้แห้งสามารถที่จะสีไฟให้เกิดขึ้นมาได้แต่ต้นไม้ประเภทหนึ่งเป็นไม้แห้งแต่มันแช่อยู่ในน้ำต้นไม้แต่ชุ่มกัยอยางก็ไม่สามารถที่จะสีไฟให้เป็นไฟได้ท่านเปรียบเทียบอย่างไร คือเมื่อคนเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาถือพรหมจรรย์แล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ส่งใจออกไปข้างนอกร่างกายก็อยู่เป็นนักบวชใจเขาเป็นนักบวชจากนั้นก็ภาวนาสามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ง่ายต้นไม้แช่อยู่ในน้ำคล้ายๆกับว่า ตัวของเราเป็นพระแต่ว่าใจของเราเนะ่ะไปแช่อยู่ในน้ําคือหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกิเลสคิดออกไปฟุ้งไปทางกิเลสอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะสีให้เป็นไฟได้ไม่สามารถที่จะทําให้เป็นไฟได้เพราะมันมันชุ่มด้วยน้ําทั้งที่มันชุ่มด้วยยางด้วยเอจะมันอยู่บนบกก็จริงอยู่มันชุ่มด้วยยางเอ อันนี้ก็เหมือนกับเราไม่ได้มุกมุ่นแต่ไปคิดปูมฟุ้งไปกับเขาอันหนึ่งคือการกระทําอันหนึ่งใจคิดนะทั้งสองอย่าง น, นี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ไม่สามารถที่จะสีให้เป็นไฟได้เพราะมันชุ่มอยู่ด้วยยางอยู่เพราะนั้นเราต้องพยายามทําใจออกมาตัวของเราออกมาจาก สิ่งผูกพันทั้งหลายเรื่องโลกทั้งหลายไม่ได้คิดเรื่องการงานทางโลกและส่วนจิตใจของเราพยายามเอาธรรมะเข้ามาปรับปรงแก้ไขทั้งกายทั้งใจของเราด้วยนี่แหละอันนี้เป็นหนทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้ไง่ายงถ้าเราจะไปเอาอยัางหนึ่งเราเสียดายอย่างหนึ่งเราผลับไปเรื่อย ผลใสุดมันก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับคนเดินทางไปเสาะแสวงหาทรัพย์ไปทีแรกไปเห็นผ้าแต่เห็นผ้ากีงาผ้าป่านผ้าปอก็โอ้อันนี้มีคุณค่ากบผลผ้าปอเข้ามาใส่ในร้อในเกวียนพอเดินไปอีก ไปเห็นผ้าฝ้ายเสียดายผ้าฝ่านเพราะเอามานานแล้วถือมานานแล้วเราแบกมานานแล้วไม่เอาละแต่ว่าคนผู้ฉลาดพอไปเห็นผ้าฝ้ายก็เปลี่ยนโยนผ้าป่านทิ้งก็เอาผ้าฝ้ายใส่ในรถใส่ในเกวียนบรรทุกไปพอไปอีกไปเห็นผ้าไหมที่ราคามันเหนือกว่า คนนี้เขาโอ้ยไม่ไม่เอาแล้วพ่อผ้าฝ้านเนี่ยเราถือมานานแล้วเราเอามานานแล้วจะไปทิ้งได้ยังไงพอเรามันทุกมาตังลมนานแต่ว่าคนที่มีผ้าฝ้ายเห็นเอ้ยผ้าไหมมีคุณค่ากว่าโยนผ้าฝ้ายทิ้งบรรทุกผ้าไหมให้เต็มล้อเต็มเกวียนเดินไปอีกไปเห็นของที่มีคุณค่าไหมพรมขึ้นมาต้องเปลี่ยนอีกผลใ้สุดไปอีก ไปเห็นเพชรนินกินดาคนนี้ก็ไม่กล้าทิ้งเพราะว่าบรรทุกผ้าป่านตลอด เ, ออเสียดายพราะได้บรรทุกมานานแล้วแต่คนนั้นเปลี่ยนไปเลยพอกลับมาถึงบ้านในคนสองคนนี้คนไหนจะเป็นที่ยินดีต้อนรับแก่วงศาคนาญาติผู้มีปัญญาทั้งหลายวงศาคนาญาติเขายินดีต้อนรับ คนสองประเภทนี้อยากของเขาเนะ่ยเขาจะให้ความต้อนรับใครดีกว่ากันนี่แหละถ่านนีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบต้องรับสิ่งที่เหนือกว่าดีกว่ามีประโยชน์กว่าอันไหนที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ก็ต้องโยนทิ้งไปถ้าเราพิจารณ า, าดูแล้วเออเป็นคราวญานิสัยไหนที่ไม่ดีสั ม, มเลาเทเมากินเหล้าเมายาอะไรก็ดี เราควรจะทิ้งแต่เราก็ควรจะรับเอาสิ่งที่มันมีสาระมีประโยชน์ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นรับเอาสิ่งเจพาของที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไ ด, ด้เลยจากนั้นวงสาคนาญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องเขาก็ต้องชื่นชมว่าเออบุคคล น, นี้ดีปรับปรุงแก้ไขตนเป็นคนดีไอคนที่เอาอย่างเก่ามาเน่ยไม่มีใครต้อนรับอันนี้ก็คือ เป็นแนวเปรียบเทียบทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาถึงจะเป็นคราวญว่าญาติโยมจะเป็นใครก็ตามต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่าไปถือของที่ไม่มีสาระกับเมา กลับมาให้เป็นเนื้อเป็นหนังเร mm. ื่องที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังโยนทิ้งไปเอาที่ของไรสาระมาคิดมาปรุงมาฟุง้งมาสร้างแต่ละวันมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาบรมมโง่นั่ะโง่อย่างสุดๆนั่อย่างพ่อร้านพวกเราอยา่าอย่าไปคิดให้มันโง่อย่างนะต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขเอาของที่มีคุณค่าเข้าสู่จิตใจของเราอ่า อันดับแรกเราก็จะได้รับความภาคภูมิใจจากนั้นพวกเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติผูบายอาจารย์ก็จะได้ชื่นชมในความฉเฉลียวฉลาดของพวกเราอันนี้วันนี้ก็ได้พูดเป็นคติให้พวกเราได้นำไปคิดไปพิจรนารณาตอนนี้ไปรับงจับพาโรคาวินิโมุตโต